สำเร็จได้ในที่ทั้งปวงอันนั้นเป็นวิริยะบารมีคําว่าความเพียรของท่านท่านเพียรทําอะไรก็เพียรให้ทานเพียรรักษาศีลเนี่ยให้ทานนี่นะคนเพียร น, นี่แปลว่ากล้านะคนไม่กล้าทําไม่ได้ต้องให้ทานเนี่ยนะถูกฝ่ายค้านค้านหันแหลกหมดเลยเพราะนั้นการที่จะให้ทานได้ก็ต้องเป็นคนที่ภาคเพียรจริงๆเป็นเป็นคนกล้ากล้าที่จะตัดความตระหนีในใจของตัวเองไนดะ้กล้าที่จะสละลหลายๆเรื่องไปได้แม้แต่รักษาศีลนี่ก็ต้องเป็น เป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่กล้ามากจึงจะทําได้ให้ทานรักษาศีลแม้แต่บวชเนี่ยนะบวชเนี่ยนะถ้าไม่ใช่คนกล้าจริงๆไม่บวชเลยอย่างสมมติถ้าเป็นท่านยุทธันชายะเนี่ยพระเจ้ายุทธันชายะเนี่ยยังไงก็ไม่บวชเด็ดขาดเนี่ยนะใครก็ว่าอะไรนะถูกไล่ให้ไปบวชยังไม่บวชเลยจะ ก, กล่าวถึงไงคนอ้อนวอนเหมั้นกันมันท่านมีความเพียรกล้าที่จะเจริญคุณงามความดีอย่างไม่ย่อท้อไม่ เียว่าไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยใจไม่หวั่นไหวเลยอันนั้นเป็นวิริยะบา ร, รมีท่านมียาณะขันติและอธิวาสนะขันติกดทนได้เนี่ยนะ น, นการออกไปบวชเนี่ยวันหนึ่งสองวันไม่ได้มีความสุขแบบราชสมบัติร้องชีวิตที่เคยอยู่สุขสบายมีคนคอยรับใช้คอยอุปถักต์เขาเรียกว่าแค่ แล้วดูน้ําคนก็ยกเสริรบน้ําให้แล้วอะไรลักษณะนนเนี่ยนะเป็นชีวิตที่มีแต่ความพลาสุกสุก ส, สบายมาตลอดนี่คนคอยรับใช้อุปถักภ์บำรุงจัดการทุกอย่างให้แล้วไปบวชไปกินเผือกกินมันน่ะะไปกินเผือกกินมันไปกินผลลมารากไม้นะนะอยากได้รสหวานมันก็ได้แต่รสเปรี้ยวอยากได้เปรี้ยวมันก็เจอแต่หวานอย่างเดียวเนี่ยนะอยากได้หวานก็ได้ขมได้เฟือดได้ฝาดเป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการอะไรแต่ท่านก็มีความ อดทนเนี่ยนะนั้นอยู่ในเมืองเนี่ยนะไม่มียุงไม่มีอะไรรบกวนเพราะว่าเขาทําให้เป็นอย่างนี้ไปอยู่ในป่ายังไงพวกยุงพวกแมลงพวกเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าอยู่ในบ้านในเมืองถ้าป่วยก็ยังมีคนคอยเอาเยอะเสรพยาหายาหาอะไรมาให้ไปอยู่ในป่าป่วยแล้วใครจะมาดูแลก็มีความอดทนที่จะอยู่อย่างนั้นต่อไปได้อันนี้เป็นความอดทนของท่านเนี่ยนะถ้าไม่อดทนจริงๆทนต่อสัมผัสเหลือบยุงลมแด ด, ดและไปบวชอย่างนั้นมีใครชมเ่ะ ถ้าเขาชมเขาส่งบวชกันทั้งนั้นแหละแต่นี้เนื่องจากได้รับการคัดค้า น, นนั้นท่านก็ทนได้ทนต่อคําพูดที่เขาพูดอย่างอื่นได้เั้นทนทั้งถ้อยคําทนทั้งความทุกข์ความยากความลำบากอดทนตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทนอดนะทำไมเพราะว่าท่านมีความอดทนจริงๆเพราะแยกเยะว่าอะไรเป็นอ น, นะอนนก็อนุภาพของปัญญานะอนุภาพปัญญาอนนี้เรียกว่าญาณขันติปัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้อดทนได้คนไม่มีปัญญามันทนไปทำไมวะเนี่ย อย่างที่ก็าบอกโอ้ยเนี่ยนะมีพระพิสุรูปหนึ่งนะท่านไปได้ยินเสียงไปอยู่ใกล้เมืองใกล้เมืองขณะที่บําเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเกิดมีวงดนตรีในหมู่บ้านเกิดวงดนตรีในเมืองเขาเล่นกันมีความสุขกันมากมายท่านก็มารำพึงรำพนันโอ้ยนี่นะถ้าเราไม่บวชนะวันนี้เราจะยิ่งใหญ่ที่สุดในงานแทบจะเรียกว่าเป็นประธานของงานด้วยซ้าไปถ้าเราไม่บวชแต่นี้พอมาบวชแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับอะไรนะ เป็นผู้เดียวอยู่ในป่าเนี่ยนะชีวิตมันสร้างรันทดเหลือเกินเรานี่ทําไมมันเตือนร้อนอย่างนี้เนาะเนี่ยนะคนอื่นก็มีความสุขกันเราเนี่ยมานั่งเศร้าอยู่คนเดียวอยู่ในป่าโอ้ยเครียดมากนะเทวดาเขามาเตือนบอกว่าโอ้เนี่นะดีแล้วเนี่ยเทวดาเขาดีใจด้วยนะจริงเทวดาเขาดีใจด้วยนะดีจะเหมือนอะไรเหมือนสัตว์นรกทั้งหลายที่กระยิมคนที่ไปสวรรค์หมายว่าเหมือนเขาบอกว่าเทวดายินดีด้วยเหมือนกับพวกสัตว์นรกที่ต้องการไปสวรรค์จริงๆ แตเขาอนุโมทนาด้วยจริงๆเพราะอะไรเพราะว่านั่นเป็นเหตุแห่งความสุขและเป็นเหตุแห่งความเจริญเข้าจึงอนุโมทนาจึงมุทิตาได้มันด้วยอนุภาพของสรวลวัดด้วยอนุภาพของปัญญานี่แหละทาให้อดทนได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าไม่อดทนจริงๆเนี่ยนะจะให้ทานรักษาศีลออกมาบวชขนาดนี้ทำไม่ได้อยู่แล้วต่อไป การไม่พูดผิดจากคําปฏิญญาชื่อว่าสัจจะปรมีเพราะพูดว่าจะบวชยังไงก็บวชไม่มีใครเปลี่ยนความคิดได้เนี่ยนะอันนั้นเป็นสัจจะปรมีของท่านแต่ว่าสัจจะมันต้องตั้งให้ดีนะตั้งเพื่อจะให้ทานตั้งเพื่อจะรักษาศีลตั้งเพื่อจะเจริญสมถะวิปัสสนาตั้งอย่างนี้ตั้งไว้เถอะแล้วก็ไม่เปลี่ยนอันดีที่สุดแต่ถ้าตั้งอย่างอื่นเนี่ยนะตั้งเพื่อจะตรณีตั้งเพื่อจะทุศีลตั้งเพื่อที่จะ พยาบาทผูกเวรเป็นต้นอันนั้นเนี่ยรีบเปลี่ยนเธอรู้กลางวันก็เปลี่ยนกลางวันรู้กลางคืนก็เปลี่ยนกลางคืนอย่าไปอนุรักษ์นิยมเอาไว้เลยเนี่ยนะอย่าไปอนุรักษ์ไว้ยังไงฉันก็ต้องตกนรกเนี่ยนะอจไม่ต้องอนุรักษ์รออย่างเหมือนอะไรก็เรามันปุตุชนอย่างนี้ไม่ต้องอนุรักษ์เนี่ยนะพร้อมที่จะเปลี่ยนเธอมันดีที่สุดเพราะถ้าไม่เปลี่ยนอะไรจะเกิดขึ้นปุตุชนเนะี่ยแหมวิเคราะห์คํานี้เมื่อไหร่นะีฟังแล้วเศร้า ไ, ไ, ไม่พ้นจากการทํามณันตริย ก, กรรมยังไม่ได้พ้นจากคําทํามณันตริยกรรมหยังไม่พ้นจากนิยตามิจฉาทิฏฐิยังไม่พ้นไปจากสุอบายทุกติวินิบ h a r d นรกยังก็ต้องคอยแงนหน้าดูหน้ า, าศาสนาไปเรื่อยเนี่ยนะหมดพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้หันหน้าไปนับถือใครต่อไปเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเหมือนกับอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหัวห น, น้าพักไปเรื่อยไม่รู้จะนับถือพักไหนก็ไม่รู้นองเรื่องเนาะต่อไป การตั้งใจสมาทานอันไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงชื่อว่าทิฏฐานบารามีคือตั้งใจในการทําบุญเนี่ยตั้งใจจริงๆนะไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรทําให้หวัน่นไหวสังเกตดูนะเวลาที่เขาบอกว่าเข้ามาขอขอดวงตาเราใจของเราไม่หวั่นไหวเลยนะที่เช่นรักษาศีลเนี่ยท่านก็ไม่โกรธใจก็ไม่หวั่นไหวเลยเขาจะทิมจะแทงใจก็ไม่หวั่นไหวเลยไอ้ความไม่หวั่นไหวแบบนั้นแหละเป็น อธิษฐานบารมีก็เกิดจากการอธิษฐานไว้แล้วว่าเราจะต้องไม่หวั่นไหวเกิดจากความตั้งใจเป็นอย่างดีท่านอธิษฐานก็คือการตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างดีต่อไปเพราะจิตคิดแต่ประโยชน์ในสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอํานาจเมตตาพรหมิหารเป็นเมตตาบารมีความคิดของท่านก็คือทําอย่างไรนะสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์นะ ปกตินี่พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะตั้งก็เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะว่าทำอย่างไรถ้าเป็นครองเรือนอยู่พระองค์เป็นพระราชามาหากัศรพท์ทำอย่างไรบุคคลเหล่านี้จะเจริญด้วยข้าวด้วยน้ำเจริญด้วยพิกษาสารเจริญด้วยบ้านเจริญด้วยบุตรด้วยภรรยาเจริญด้วยอยู่ดีมีสุขกันทั้งหมดเลยนะท่านมีความคิดอย่างนี้ตลอดว่าทำยังไง ประชาชนจึงจะอยู่ดีมีสุขอยู่ดีและมีความสุขอยู่แบบไม่เดือดร้อนเพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยแก้วแว่นเงินทองเลือกสวนไร่นาค่าทาากรรมกรเป็นต้นเนี่ยท่านปรารถนาอย่างนั้นจริงๆพอถ้าท่านบวชแล้วทําอย่างไรเนอชนเราเอินจะพ่อปูนเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยหิริโอตปะเจริญด้วยสุตะเจริญด้วยจาระและเจริญด้วยปัญญาพันเมตตาของท่านน้อมไปให้สัตว์ทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยภระคัพย์ และสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์น้อมใหสัตว์อื่นสมบูรณ์ด้วยโภุทธกุย์และอริยทรัพย์ความคิดของท่านเป็นอย่างนี้เสมออันนั้นเป็นเมตตาบารมีต่อไปกะแหมาการทําความดีไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกธรรมะเจริญปัญญาวิริยะคันติสัจจะที่ฐานเมตตาเนี่ยนะมีทั้งคนชมและก็คนชังอันนี้ถือว่าธรรมเนียมของโลกธรรมเนียมของโลกแล้วว่าอะไ ร, ะะไรปกติที่แล้วโลกจรทำ นะใครที่ชอบเขาก็ชมใครที่ชังเ้าก็แช่งเขาก็ดา่ ound, าก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของโลกเมื่อเจอธรรมเนียมของโลกทําอย่างนี้ทำอย่างไงก็ต้องวางเฉยแล้วก็โลกเนี่ยเมื่อทําอย่างไรจะทําดีนัมันก็สุขกับทุกอยู่นั่นแหละมันก็สุขกับทุกกะตองก็ต้องเฉยอีกนั่นแหละก็ทําใจยังไงเพราะมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างเช่นว่าหน้าฝนเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดมก็ออกเดี๋ยวก็กลางวันเดี๋ยวก็กลางคืนจะไปทําอะไรมันก็อย่างนี้แหละอันนี้เราวางใจได้เป็นอขขุเบกขา ไม่ได้แปลว่าไม่สนใจนะอุเบกขาไม่ได้แปลว่าไม่สนใจแต่รับสภาพเข้าใจความเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วทาอะไรก็มันเป็นอย่างนี้อะ่ะ <î s> เขาเห็นด้วยเขาก็มาห้อมล้อมไปด้ว ย, วยกันเป็นฝูงเยอะแยะไปหมดเลยตอนเขาไม่เห็นด้วยก็หมายสู่ครั้งเดียวเลยนะไปเถอะจงไปเถอะไปไหนก็ได้ที่มันให้มันอะไรนะพ้นแก้วตาดวงหูอะไรก็ว่าไปทําห้อาดวงตาแก้แก้วหูใช่ไหมให้มันพ้นพ้นหน้าพ้นตาพ้นหูไม่ต้องได้ยินแล้วเหมือนกัน มันก็เป็นอย่างเนี้แหละเขาเบอกว่าเดี๋ยวก็ถูกยกลงเดี๋ยวก็ถูกด่าเดี๋ยวก็ถูกประนามเดี๋ยวก็คนเห็นด้วยมาห้อมล้อมกันเดี๋ยวก็ไปนั่งเงาโดดเดียวเอวอะไรนะอย่างพระนี่มันเห็นชัดเตี้ยนะอีกพักหนึ่งโอ้ยคนมาเต้ยเป็นร้อยเป็นพันอีกพักหนึ่งมานั่งง่ายอยู่ใต้โคนไม้คนเดียวนะอีกพักหนึ่งเขาก็มาอีกแล้วยิ่งใหอีกพักหนึ่งก็ง่าอยคนเดียวอีกแล้มันก็อยู่อย่างนี้โลกกระทำจะไปอะไรเดี๋ยวก็ราบเดี๋ยวก็เสื่อมราบเดี๋ยวก็มีชั้นบินทย ยังไงก็เอื้อมไม่ถึงมันจะเยอะแยะมัหิวมาคนแล้วป็นโตร้อยคนเท่าไรตัวเอาสิก็ปินโตร้อยนะเท้าคูณสมเข้าไปเนะี่ยก็มีอาหารเนี่ยนะสามร้อภาชนะเนี่ยนะชั้นอะไรจะหมดเพราะอีกวันหนึ่งบินทบาทแม้แต่ช่วยเดียวก็แทบไม่ได้เนี่ยนะก็เเดี๋ยวก็ราบเดี๋ยวก็เสื่อมราบอีกพักหนึ่งจีวรจนมากรองคนเดินเดินอีกพักหนึ่งก็หาจะนุ่งไม่มีแล้วอย่าเงี้ย อีกพักหนึ่งอูยยาเนี่ยฉันยังไงก็ไม่หมดอีกพักหนึ่งฮะพอยาแก้ไอละลายเสมหะก็ไม่มีเหมือนกันมันก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถูกใจเขาก็ชมไม่ถูกใจเดี๋ยวก็กระดาให้ก็อยู่อย่างเงี้ยแค่นี้ยอีกพักหนึ่งเขาก็นิมนต์ให้มาอีกพักหนึ่งเขาก็ไล่ให้ออกวัดเลยเลยเนี่ยก็อยู่เท่านี้เลยจะไปอะไรก็เมื่อโลกมันเป็นอย่างเงี้ยจะไปทําอะไรกับโลกเนี่ยนะก็มันเป็นโลกธรรมมันเป็นธรรมเนียมของโลกเมื่อมันเป็นรมเเนียยของงโลกาาทํัไ ถ้าคนที่พลาดเนี่ยนะจะไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมมาเลยว่ากลายมว่ากลับไปเลย แต่นี้ท่านก็ไม่เปลียนนะว่าก็มันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมเนียมของโลกเมื่อธรรมเนียมของโลกอย่างนี้สรุปว่ามันจะอะไรเกิดขึ้นก็ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขัมมะอบรมปัญญาภาพเพียรด้วยวิริยะตั้งมัน่นอยู่ในขันติมีจิตใจที่ตั้งมัน่นพูดคําสัตว์คําจริงในการให้ในเจริญกุศลธรรมประกอบไปด้วยเมตตาก็หวังดีปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์อยู่เสมอแต่ก็ต้องเข้าใจว่าธรรมเนียมของโลกมันเป็นอย่างนี้จะไปเอาอะไรกับโลกก็เมื่อมันเป็นธรรมเนียมของโลกเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยนะ อย่ chat, ไปคิดว่าอะไรจะยั่งยืนเลยเนะี่ยอีกพักหนึ่งก็ก็ชม่มีอีกพักหนึงก็ด่าด่าๆอยู่นั่นน่ะนั่งบนอยู่น <de> ั่นน่ะช่วยกันแช่งทั้ง UH ด่าท <te> ั้งบ้านทั้งเมืองอีกพักหนึ่ง <de> ก็ว่าเทพพระเจ้าเดินได้ปราณนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยโอ้ชีวิตมันโลกกระทำเนี่ยเห็นชัดเลยนะโอ้ย่างกระเทกเทพพระเจ้ามาแล้วเนี่ยนะต้อนรับแสดงรับเสด็จอย่างนั้นอีกพักหนึ่งช่วยกันไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองอันนีพักหนึ่งโอ้ยอาหารเนี่ยนะ รับตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงก็ยังไม่หมดเนี่ยนะคนเอามาให้เต้ไปหมดอีกพักหนึ่งเนี่ยนะฮาจะชั้นก็ไม่มีนี่แหละชีวิตมันอางนะั้สังสารวัตมันก็เป็นอย่างนี้แต่โอ้ก็ทนกันอยู่กันได้นะอดทนกันจริงๆเลยนะวัตตะเนี่ยนะรู้ทนกันได้ยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะไม่มีวิชาอย่างเดียวก็ทนได้หมดอนะเพราะไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ทนได้หมดแต่พระพุธธทธศาสนาไม่ทนรอเนี่ยนะนะเพราะว่าใจของท่านน้อมไปเพื่อจะออกโดย ส่วนเดียวเนี่ยนะแต่ว่าไอออกของท่านออกแบบมีเงื่อนไขไม่ออกคนเดียวะนะหาพวกออกด้วยนะเพราะเราอะไรเพราะอะไรเงื่อนปฏิญญาเจ็ดประการที่พระองค์ตั้งไว้แล้วว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเนี่ยนะเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราบรรลุแล้วจะให้ผู้อื่นบรรลุด้วย คำว่าบรรลุก็คือถ้าเราทําปริญญาเสร็จแล้วจะให้ผู้อื่นทําปริญญาด้วยเราละกิเลสเสร็จแล้วจะให้ผู้อื่นละด้วยเราทําให้แจ้งพระนิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นทำให้แจ้งพระนิพพานด้วยเราเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเต็มเปี่ยมสมบูรณ์แล้วเราก็จะให้ผู้อื่นเจริญด้วยเนี่ยนะพันเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นนั่นเองอันนั้นก็คือปฏิญาณของท่านเพราะท่านถ้าจะข้ามแต่เพียงผู้เดียวก็ข้ามเสร็จได้นานแล้วเนี่ยนะถ้าจะโล่งใจแต่เพียงผู้เดดียยวววกก็โลล่่่่งงไ้้นนาาาแแตอ ท่านที่เราว่าเป็นเผ่าพันธุ์แห่งสัพพสัตวเผ่าพันธุ์นี่แปลว่าญาติของสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะท่านเป็นญาติเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องกลัวภัยจากพระโพธิสัตว์แม้แต่นิดเดียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีเพศภัยอันตรายใดๆเกิดจากพระโพธิสัตว์เพราะท่านคือาญาติของสัพพสัตวทั้งปวงท่านคือผู้ที่รักเป็นผู้ที่หวังดีต่อสัพพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเพราะท่านทําทุกอย่างเพื่อสัพพสัตวอยู่แล้วเนี่ยนะ